ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือแด่ท่านพระเถรานุเถระแห่งสำนักวัดิระยรวงศาวาและต่างพระอารามทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งชาวไทยและ จากต่างประเทศทุกท่านที่ตั้งประเด็นว่าจะมากล่าวอนุโมทนาก็พเพื่อแสดงความรู้สึกปีติยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะ ที่เพ่นจบลงไปเป็นของขวัญที่ล้ำค่าไม่ใช่เฉพาะของตัวกระผมหรืออาตมาเท่านั้นแต่เป็นของฝันที่ล้ำค่าสำหรับพระศกนิกรชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ฟังที่จะได้รับรู้ที่จะได้รับรทรบาบ เรื่องที่สําคัญยิ่งของประเทศเราคือศาสตร์แห่งพระราชาหรือศาสตร์พระราชาวิทยากรทุกท่านทั้งผู้ดำเนินรายการได้มอบของขวัญที่มีคุณค่าคือธรรมทานซึ่งมีค่าเหนือกว่าอามิสถานเดียสั แก่พวกเราในมหาสมาคมมี้ฉะนั้นในฐานะเจ้าของงานจึงมีความรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบของฝันอันเป็นธรรมทานแก่พวกเราณที่นี้และที่จะรับรู้รับทราบผ่านสื่อต่อไป ทำไมจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ลังค่าที่เราได้มาพูดกันในวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องศาสตร์พราชาเป็นวาระแห่งชาติมีใครบ้างไม่ได้ยินคำนี้ทั้งในสถาบันชาติคือประชาชน ศาสนาทุกศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างสแสวงหาความหมายแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อนำพาสถาบันและประเทศชาติโดยรวมให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางนั้นถ้าเราไม่ชัดเจน ว่าศาสตร์แห่งพระราชาคืออะไรพูดฟังกันอยู่เรื่อยๆจนติดหูใครพูดก็จะอยู่ในคำคำหนึ่งของวิทยากรที่มาพูดว่าไม่ว่าพูดเรื่องอะไรก็ศาสตร์พระราชาทั้งนั้นและถ้ามันเป็นทุกเรื่อง และจะทำอะไรได้ก็จะงงและสับสนดีไม่ดีบางคนก็บอกของฉันนี่แหละของแท้ของคุณนั่นแหละของแถมของฉันนั่นนะแก่งของคุณนั่นแหละกระพี้ทั้งๆที่แก่นเปลือกกัะพี้มันก็ต้นไม้ด้วยกัน วิทยากรได้พูดในประเด็นที่จุดประกายให้เราพูดกับพระท่านจะอยู่เฉยๆออกเทออกสอนแล้วท่านสงสัยไหมนี่ก็สาพระราชาวิทยากรมาท่าน ตั้งคำถามทำไมคนไทยปล่อยให้ในหลวงทรงงานหนะักและทำไมพระองค์ต้องทรงงานหนะักนั่นก็เพื่อศาสตร์พระราชาแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนที่น่าห่วงก็คือว่าเวลาเราชี้นิ้วไปที่ศาสตร์พระราชา ดูในรายการทีวีตั้งหัวข้อสามพระราชาส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนา 4,000 กว่าโครงการตามพระราชาดำริในหลวงเริ่มพัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้ชาวบ้านมีอยู่มีกินขายผลผลิตทางกเกษตรได้ตั้งหัวข้อ สาสพราชาเดี๋ยวก็วัดนั้นวัดนี้ศาสตราชาหมดเหมือนกับเราชี้นิ้วไปที่พระจันทร์ต้องการให้คนดูพระจันทร์แต่คนมาติดที่นิ้วเหมือนเราจะบอกว่าศาสพราชาคือโน้น แต่มาติดที่โครงการในพระราชดาริอะไรคือศาสตร์พระราชาวิทยากรท่านแรกท่านทงทองจันทรางสุเพราะเออชื่อเพียงท่านเดียวเพราะท่านปาตกถฐานนำท่านให้ข้อสังเกตว่า ในพระประถมบรมราชโองการนั้นใช้คำว่าครองไม่ใช่ปกครองเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าครองไม่ใช่คำว่ารู้ปกครอง ในภาษาอติกแต่ตรงกับคำว่าเรนครองต้องราชเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า We shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the s i n e s e people ครองแปลว่าอะไรคลองตนไม่ใช่ปกครองตนคลองตนคือรักษาตนดูแลตนดำรงตนปกป้องคุ้มครอง พระเจ้าแผ่นดินราัชาการที่9ก้าทรงรับแผ่นดินจากราัชาการก่อนๆนในราชวงศ์จั ก, กรีซึ่งมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างต้องรักษามรดกคือชาติในลักษณะที่รับมรดกมาและ คลองคือประทับประคองไม่ให้ถล่มทลายรักษาสืบทอดพัฒนาต่อไม่ใช่ด้วยความช่อชนแต่โดยธ่าเป็นภาระที่หนักอึ้งเราได้รับมรดกหมื่นล้านจาก พ่อเราเนี่ยมาสิ้นยุคเราจะเหลือร้อยล้านหรือเปล่าเครียดไหมละ่ะอย่างนี้เรียกคลองไหมรักษาไม่ได้มันต้องสื้อโทษเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่ส่งต่อมาจนถึงรัชสมัยของพระองค์งอนเงีนไหมสิ้นสงครามโลก ทั้งที่สองห ม, มัดๆมสถาบันกษัตริย์ยิ่งใหญ่ไหมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในสภาวะเป็นอย่างไรแล้วจะต้องคลองต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับยุวะกษัตริย์แต่เจ็ดสิบปีที่คลองราด ทรงทำตามคำมั่นสัญญาครองตรงนี้รักษาสิ่งดีงามแห่งบุรพะมหาตสัรตริยาธิราชได้ประทับประคองให้รอดปากเ ย, ยว่ปากกาแถมยังพัฒนาให้ล้ำหน้าล้ำสมัยเกินกว่าที่คนจะคาดคิด จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติในปี 2,549 นำโดยเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นโฟฟี่อันนาน้นำล้านวันเกียรติยศแห่งชีวิตมาถวายทูลกถวายพระองค์ท่านเรียกว่า Lifetime a c h i e ม e m e n t a w a r ดรางวัลแห่งความสำเร็จตลอดชีวิตของบุคคลนี้ mm hmm. Lifetime a c h i e v e m e ต t ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรสรราธาราชิเขาดูมาตลอดตอนที่หกสิบปีของราช UNDP คือสาถากัน พัฒนาของยูเอ็มซาชาติคิดรางวัล น, นี่เป็นครั้งแรกในโลกและต้องให้บุคคลที่เป็นไอดอลที่ให้แล้วชาวโลกต้องยกนิ้วคิงภูมิพลนำมาถวายพระองค์ท่านและถวายพระสมัญญาพระองค์ว่าเดเวลโลปเมนต์คิง กษัตริย์นักพัฒนาเพราะฉะนั้นคำว่าศาสตร์พระราชาคือพัฒนาศาสตร์ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่พระบรมราชารัชาการที่ก้าได้ทรงดำเนินมาตลอดรัชากาลสุโรมพระองค์มีศาสตร์แห่งการพัฒนาอะไร มันถึงกว้างใหญ่ไพศาลชนิดที่พูดจุดไหนทุกหมดสหประชาชาติเขาถวายเขามี citation เขามีคำประกาศสดุดีเกียรติกุ่นเป็นภาษาอัิกในคำเหล่านั้นเนี่ยคนหมายถึง หัวสมองชั้นกะทิของโลกคบกลั่นเพราะราชกินายกิจของในหลวงแล้วเขาจึงเขียนเขาสรุปว่าพร ะ, พระเจ้าแพ่นินรัชาการที่ก้าเป็นกษัตริย์พัฒนักพัฒนาเพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา มนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนามุ่งไปที่คนถ้าเราไปคิดว่าพราะองค์พัฒนาฝนหลวงพัฒนาการหารน้ำรือมนุษย์มนุษย์ต่างหากที่พระองค์ถือว่าเป็นหัวใจ เห็นการพัฒนาและมนุษย์มันมีทั้งยากดีมีโจนจนถึงมหาเศรษฐีคำว่าพอเพียงจึงใช้ได้กับทุกระดับเมื่อใช้กับมนุษย์มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมื่อเอามนุษย์เป็นตัวตั้ง เราจึงเห็นได้ว่าขั้นตอนในการพัฒนาของพระองค์เนี่ยที่เกี่ยวกับข้องข้อกับการพัฒนาเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันซึ่งเราพูดตรงไหนมันก็ถูกถ้ามันมันอยู่หนึ่งในสี่แต่มันไม่ใช่อมรวมไม่ใช่รถแม่ มันเป็นต้นทางบ้างการทางบ้างปลายทางบ้างถ้าเราประมวลซึ่งจะทำได้ต่อเมื่อสวรรคตแล้วเพราะถ้ายังมีชีวิตยอยู่อาจจะมีอะไรเพื่มอีก definition คำนิยามของมนุษย์แต่ละคน ทำได้เมื่อเขาจบชีวิตว่าดีหรือเลวใครจะพูดได้ว่าคนนี้เลวเพราะเป็นโจรพรุ่งนี้อาจจะเป็นพระอารหันต์แต่ถ้าโจรมันตายแล้วโจรแม่ๆ่คนดียังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่า จะนิยามอย่างไรเกิดพวกนี้ย้ายพัดด่าตุน้นทั้งทั้งที่ดีกับไอ้คนหนึ่งแต่มันอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามมันเปลี่ยนสีถ้าตายแล้วสีดำแล้วจบการนิยามมนุษย์ จึงเหมือนกับเคยเห็นเงือกไหมล่ะข้างล่างเป็นปลาข้างบนเป็นคนปลามันจะค่อยๆกลายจากเท้าไปเรื่อยๆไปถึงกลางถ้าเมื่อไรมันจบชีวิตมันเป็นปลาทั้งตัวแต่ถ้ายังไม่จบดูข้างบนมันก็คน ดูข้างล่างมันก็เปลา่าจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรตอนนี้แหละเมื่อในหลวงไม่อยู่แล้วเนี่ยพูดได้เพราะท่านไม่มาเถียงว่าที่อาจารย์สดพูดเดียมันผิดสามปีก่อนไม่เห็นพูดกัน่างนี้เลยใช่ั้มวันนี้พระพรหมะดิษ์พูดได้มิยามได้ อันนี้นอกเลือแล้วกลับมา4ประเด็น 1. พึ่งในการพัฒนาของพระเจ้าพผ่ดินรัชการที่กาวถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยู่ในประเด็นแรกถ้าสรุปจากเศรษฐกิจพอเพียง ที่ขาดเติมให้เต็มที่เต็มให้รู้จักพอที่พอให้รู้จักแบง่งที่แบ่งก็ให้เป็นธรรมซีธรรมปวดฟังอีกทง้งนี่คือหัวใจที่ขาด เติมให้เต็มที่เต็มให้รู้จักพอที่พอให้รู้จักแบ่งเมื่อที่แบ่งก็ให้เป็นธรรมีธรรมท่ า, ทาทนั้นแหละอ่ะขาดเติมให้เต็มในหลวกัำอะไร คนไทยมันมีปัญหาพื้นฐานอยู่สามเรื่องจับตรงไหนถูกทั้งนั้นโง่จนเจ็บและมันเป็นวัตถจักรโง่ใช่ไหมโง่แล้วเป็นยางไม่มีงานทำมันก็จนจนก็กินแต่มาม่ามันก็เจ็บ สมองฟอฟอมันก็โง่โง่มันก็นจนจนมันก็นเจ็บยกไว้มาบวชตัดวัตะจักเห็นไหมและในหลวงแก้โง่ด้วยการศึกษาส่งเสริมการศึกษาทุกระแบบทุกระบบทั้งสามัญวิชาชีพภาษาปริญญาทุกอย่างที่พูดมานั่นะต้องหมดแม้กระทั่งพระ ต้องให้เรียนมีทุนเรื่องเรียนหลวงอย่างโง่อยู่ในเต็มวัดจนโครงการในพระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำที่พระพูดอภิปรายกันเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยเศรษฐกิจอทฤษฎีใหม่เรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่างเนี่ยฝนหลวงจนเจ็บสาธารณสุข ดูโรงพยาบาลศิริราชเป็นตัวอย่างม่ได้ดนการแท็สารเนื้อสุขสเมเด็จยากเช้าเขามันอยู่ตรงนี้บอดเลยโง่จนเจ็บนี่แหละ UN เอเขาใช้คำว่าในหลวงทรง empower คำเดียวนี่แหละมันครอบคลุมหมด empower แปลว่าขาดเติมให้เต็ม เอาแค่นี้จะได้พูดเรื่องอื่นแป่ตัวที่กัาเองเต็มให้รู้จักพอ s u f f i c i e n c y economy เศรษฐกิจพอเพียงคนถ้ามันไม่รู้จักพอเนี่นะมันเกิดปัญหาเยอะแก่งแย่งแข่งขันจนกระทั่งแตกแยกและไม่รู้จักพอนี่แหละ โลกเกินเศรษฐกิจกำลังไปดีเลยสองพันรอยสี่สิบูมุมโตปีละสิบเปอร์เซ็นายได้ประชาชาติแข่งกับจีนแต่สองพันร้ยสี่สิบไทยหัวทิ่มลดข่านเงินบาทไม่ยืนอยู่บนขาตัวเองกู้เข้ามาเานั้น ในหลวงจึงสอนให้อัตนาถรพึ่งต่อพัฒนาอะไรก็ให้รู้จักพอใจพอเพียงมัดชิมาปฏิปทามัดตันยุตาอยู่ตรงนั้นเมื่อเพราะคนจนเนี่ยมันมีสองประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอ พวกจนเพราะไม่มีต้องเติมให้เขาเต็มช่วยพัฒนาไอ้จนเพราะไม่พอเนี่ยเป็นยังไงความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาสาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี ในหลวงเติมสำหรับพวกที่ขาดขาดคือหิวขาดเพราะไม่มีเสริมอาชีพเสริมความรู้เสริมสุขภาพแต่ไอ้พวกมีแล้วมันยังหิวคุณหัดพอบ้างไปฟันภาเทศบ้างเมื่อฟันเทศแล้วรู้สึกเป็นไงสันตุถีปรมังธาดังความรู้จักพอเป็นยอดรัพ์ โยแยกหมดทรัพย์สินคุณนี่บริษัทคุณนี่จะรวยไปถึงไหนทำ CSR มั่น Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งปันสิ่งที่คุณมีซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกประชารัฐใครไม่รู้ว่าประชารัฐคืออะไรไปฟังรัฐบาล พัฒนาไปจากซีเอสสามให้บริษัทยักษ์ใหญ่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งพระพมบัณฑิตเอามาช่วยพัฒนาหมูกระดาษวัตระยุนอยู่เขารู้ทันฉะนั้นประชารัฐพัฒนาไปจากซีเอสสาม มีพอให้รู้จักแบ่งแต่แบ่งเนี่ยมันแบ่งเข้าพกเข้าหอเข้าพวกตัวเองไม่เท่าสีตัวเองไม่เป็นธรรมมือใครยาวสาวได้สาวเอาทะเลาะ ก, กันจนบ้านแตกแล้วจะไม่ให้ในหลวงเหนื่อยใจได้อย่างไรพัฒนามาตั้งแต่จนกันอยู่น่ย เป็นช้าเขาโปร่ฟินเ ล, ลิกโปรฟินทำอะไ ร, รต่อไม่อะไรจนมีขับปิกอัพเน้วการศึกษาก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นหกสิบเจ็ดสิบปีคลองลาดธนาธานโนกจัดอันดับประเทศไทยล่ำรวยขึ้นผิดทูปผิดตาในชั่วอายุคนคนเดียวซึ่งยากที่จะเจอในโลกนี้ 2,556 World บ a ก k ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยสูงขึ้นจากประเทศที่มีร า, ายได้ปานกลาง ร, ระดับล่างเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ร, ระดับสูง higher middle income country เราพัฒนาอีกเก้าเดียวเราก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง เหมือนเกาหลีใต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นสหรัฐที่ขั้นเดียวแต่การพัฒนามันมีมิ d d l e i น c ั m e ค r a บกับดักของประเทศที่มีไรายได้ปานกลางทำไมมันขึ้นไม่ได้แต่ละประเทศมันมีกับดักประเทศที่อยู่แบบเราเนี่ยมีจีน ม, มาเลเซีย อเชียตะนออหลายประเทศมันหัวทิ่มเพราะทุจริตคอร์รัปชันเพราะเมื่อทุจริตคอร์รัปชันมันก็แย่งผลประโยชน์ทะเลาะกันแย่งผลประโยชน์แย่งอำนาจแย่งอาหารกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันที่สวาสด์แย่งอำนาจจังเป็นใหญ่ขนาดในหลวงรัชกาลที่9ก้าประชวนเรายังไม่หยุดทะเลาะกัน แล้วจะไม่ให้เหนื่อยได้อย่างไรเพราะข้อสุดท้ายเบ่งมันไม่เป็นธรรมสี่ข้อขาดส่งเติมให้เต็มด้วยทศพิธราชธรรมถ้าพูดภาษามิติเราจะไปเติมให้เต็มแก่คนเราจะต้องมีทศพิธราชธรรมสิบข้อพระคุณเจ้าจำไห้นะท่องเลย ทานังสีลันปริจารทานอาชวังมัธวันตะปังอโ ก, กทานวิงทะจักทานติจาเอาวิโรธนัถ้ายังจำไม่ได้ไม่ต้องไปเทศอย่าว่าแต่พระองค์มีข้อไหนบ้างเลยสิบข้อยังไม่รู้เลยยังเออๆขาดทรงเติมให้เต็มด้วยโทษสัพพิรญาทานยังไง ถ้าไม่มีทานการให้ทําได้ไ้มไม่มีบริจาค ก, ก็ทําไม่ได้แล้วเวลาไปให้คนไม่ใช่ไปบอกหัดกระทันยูก็นะนี่อุตส่าห์มาให้นะไม่มีในหลวงไม่มีไปยังมัทวะอ่อนน้อมเนะาะนี่เราก็พูดเออรื่อ ง, อ, งอ่อน้อมพระองค์ตะทู่กินแหละแล้วเวลาพระองค์ไปให้เลยนะต้องมีข้อไหนอีก บางทีไปช่วยแล้วนะไปช่วยพัฒนาแท้ๆนะยังตามไม่ทันโง่เข้าใจผิดหรือเอาไปอธิบายผิดบางทีในหลวงต้องมาบอกไอ้ที่ฉันบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันอย่างนี้น ะ, ะแรกๆนะมันไม่ใช่อย่างโน้นนะแสดงว่าต้องมีอกโกทะต้องมีขันติก่อน คนต่อความโง่ของคนที่จะรับการพัฒนาได้อ่ะลงไปเทศแล้วโยมฟังหลับกันทั้งหมดนี่อย่าไปด่าโยมได้ไหมโง่จังเลยในอุตสาห์เรียนมาจากวัประยุทธ์มาเทศมีแต่คนโง่ฟังน่ะเราที่ไม่มีอกักโกทะไม่มีทศพิธวาจธรรมข้อนี้ไม่มีขันติในหลวงไปช่วยก็ต้องมีขันติ มีอกโกทะคือเมตตามียกตัวอย่าง่ะขาดเติมให้เต็มมีโทษสถีราจะทำที่ว่าเต็มให้รู้จักพอคนจะรู้จักพอเนี่ยต้องคุมกิเลสความโลภได้ไหมใครเข้าไปในวังในหลวงเนี่ยวังสนจิตมีรักช่วยรถโรนรส้อยไปร้อยคันไหมมีแต่ควายไขหน้ามีแต่กังหัน เข้าไปแล้วต้นไม้ฟามโคนมมีคุณยายแก่ๆมานั่งริมธนาใส่งอกไปถัก็เลยถามคนพาผมนี่มามาเอ็กซ์แให้พระภูมิปิณดูนด้ไหมไม่ใช่ชาวนาจริงๆมาปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ทรงทดลองปลูกเสร็จเอาไปหวานที่สนามหลวงวันแรกนาขวัญนนะ่ะ อ, อยู่อย่างสมัะ ต้องมีตะบะเคยเห็นหลอดยาสีพระทนไหมล่ะรี่เห็น ง, งีนแหละเรานี่ใช้มรดรถไม่ดีในหลวมตะบะถังติดเติมให้เต็มพอให้รู้จะให้คนที่จะให้ต้องมีทานอีกแล้วบริจาค ต้องมีอาชวะซื่อตรงมีมัทวะมีอกโกทะมีอะไรนกครับและสุดท้ายแบ่งให้เป็นธรรมคนทะเลาะกันเพราะไม่เป็นธรรมทศพิรัชธรรมข้อที่สิบคืออะไรอวิรูนะแปลว่าความไม่คล้าจากธรรมคือยุติธรรมพระบรมราโชวาทของในหลวง รู้รักสามารถขีนเข้าหูเราเคยซึ้งและเวลาที่คนไทยทะเลาะกันในหลวงออกมาห้ามมีประโยชน์อะไรสำหรับไทยชนะที่อยู่บนซากประหักพันของประเทศชาติเรียกหัวหน้าสองกกมันนั่นคราเพียบอะ่ะมันเป็นผ้าที่ไปทั่วนี่คือ แม้แต่อำนาจก็ต้องแบ่งให้เป็นธรรมเศรษฐกิจก็ต้องเป็นธรรมและถ้าไม่เป็นธรรมพระองค์ก็ต้องเนยมาห้ามทับจทกท่านประชวนนัะ ก, ก็ไม่รู้อยู่ไหนเราเคยคิดจะพึ่งตัวเองบ้างไหมห้ามทับกันเองบ้างไหมเป็นลูกที่ไม่รู้จักโตหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงทาตลอดชีวิตเนี่ยในสี่ท่านมันไม่รู้จบพระองค์ยืนทอย่างไงสอนให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้รู้คือสอนเองด้วยพระบรมราโชวาตเอาธรรมะก็ไปเท่าไหร่นิมนพระเทศด้วยแล้วสรงฟังเทศให้ประชาชนฟังตามด้วย เทพไม่พอสมพระาพราชนิพนธ์มหาชนกด้วยและมหาชนกนนเรื่องอะไรให้รู้จักสู้วิริยะ empowering พึ่งตัวเองสู้โง่จนเจ็บถ้าคุณเป็นมหาชนกหายโง่หายจนหายเจ็บทำไมชาดกทั้งห้าลงไม่เรื่องที่วิทยากรท่านพูดทำไมเรื่องมหาชนกก็เพราะว่ามันช่วยพัฒนาคนในทันตามหาชนกนี่แหละคุณ มีขันติมีวิริยะเนี่ยนะโง่มันก็หายโง่ถ้าขยันเรียนเทศไม่เป็นมันก็เทศได้ไม่ต้องมาเรียนมากหรอกอะไรจนอุดขาตาวินธะเตทนังขยันมันก็หาทรัพย์เจ็บไม่ออกกำลังที่เกียด น, นิเนาะ หมอให้ทำอะไรผ่ า, าตัดก็ปวเจ็บกินยากข็ขมตายดีกว่าไม่มีขันติไม่มีวิรยิยะสรุปแล้วสำหรับคนไทยที่จะพ้นจากวงจร อ, อุบาทโง่จนเจ็บมหาชนกสอนอะพอผ่านตรงนี้สอนให้รู้สอนเอง ก, ก็ปาเปียปักแฉะนิ ม, มนุษย์พระสอนพระสอนไม่ได้พระคุณจเจ้าเทพไม่มีความรู้ให้ทุนแล้วเรียนหลวงสร้างศาลาพราะราชสัทธาอีกหลายอย่างไหลายประการส่งเสริมพระาศาสนาอุปถัมบมรุงเน่ะแล้วในหลวงทําไมอุปถัมบมรุงพระาศาสนาท่านธงทองพูดไว้ดีเหลือเกิน ราชการที่สามทรงสร้างวัดไว้สวยงามวัดประยูท์ด้วยนะสมัยราช ก, การที่สามนะเนี่ยขายุทธประยุทธ์โตกสนึกราชการที่สามเนี่ยสร้างวัดเองด้วยแล้วให้เสนาอัมบาทสร้างวัดถวายพระพระองค์ด้วยวัดประยุทธ์นี่ สมเด็จเจ้าพยาบรมมหาปิยรังมงศ่างถวายด้วยกันที่สามเลยรับสมรับเป็นพระร า, ามหลวงในสมัยนั้นเนี่ยใทยทูนเรื่องอะไรเรื่งการที่สามไม่สนแต่ถ้าอยากจะได้ชิดต้องสร้างวัดจับเส้นผูกใครจะจับเส้นราชการที่หนึ่งท่างไงต้องเป็นทหาร เพราะอยู่ในภาวะสงครามก้าวทับทหารจะเลื่อนยกเร็วและจัดการที่สองใครอยากจะจับให้ถูกพระไทยทําไงแต่งกอนเป็นทุดทอนผูเออ้เพราะฉะนั้นทุนทอนผู้ขึ้นสูงสุดตอนไหนและจัดการที่สองพอแล้การที่สามวัดเยอะทุนทอนผู้เลยบวชที่เหลือไม่ล่า บวชวัดเรียกนรัชการที่หนึ่งโปรดทหารรัชการที่สองโปรดกรวีรัชการที่สามโปรดผู้สร้างวัดนายมีลูกศิษย์สานผู้แต่งปล่อดได้ว่าทุนอะไรก็ไม่ถูกพระไทยเท้าเรื่องวัดเฝ้าแต่ตรัสถามไทยให้ฝ่ายฝัน ถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปัน้นเรื่องถาสลับกลึง้งคุยไปเรื่องซากวัดโอ้เฝ้าได้เป็นชั่วโมงถามว่ามองครื่องริษฐามว่าถ้าจะให้อะไรคือสิ่งที่ถูกประไทยรัชการที่เก้านายคคกครก่องิษฐามถ้ารัชการที่หนึ่งชอบทหารรัชการที่สองชอบกวี ราชการที่สามชอบสร้างวัดรัชการที่เก้าโปรธอะไรมอมเครือคริตตอนเป็นนายกถามคำถามนี้ใครตอบได้ท่านเครือริตตอบว่าโปรธประชาชนเวลาที่ทรงมีความสุขตะหว่างในหลวงเนี่ยรอเก้าเนี่ยคือได้ไป พบประชาชนแล้วให้ประชาชนเนี่ยมาเฝ้าแหนมาทูลถามมาถวายดีกับเรียกว่าปฏิสันถารกับประชาชนเนี่ยสองสามชั่วโมงผู้ตามสเสด็จเมื่อแล้วเมื่ออีกเดี๋ยวในหลวงก่อนประทับ ย, ยืนเดียวกับคุกเขาเดียวกอนเราที่เราป้าก่นมีความสุขจะลืมับหวังจนฝรั่งคนหนึ่ง มาจากออสเตรเลียมาใหม่ๆถามเพื่อนคนไทยในหลวงของคุณไม่มีวังหรือไงทไมอ่ะที่ในหลวงฉันน่ะอยู่แต่ในวังใครจะพบเนี่ยต้องไปเจอที่วังคุณไรสเบตแต่ในหลวงของคุณยันอยู่ตรนู่นหมู่บ้านนู่นเขากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่นึงไปนู่นไปนู่นไปนี่ วังไม่มีหรือไงคนไทยก็บอกว่า711จังหวัดคือวังสมัยรุ่นเด็ก70จังหวัดคือวังของในหลวงไปทั่วหมดคุณอยากเข้าเฝ้าในหลวงไปดักทา่านทางในหลวงไทยเป็นอย่างนี้ฝรั่งคนนี้แกก็เลยสรุปว่าเมื่อในหลวงสวรรคตในหลวงคือ People King กระสัของประชาชนในหลวงร .9 ทรงโปรดประชาชนเป็นกระยัของประชาชนเพราะทรงถือประชาชนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเดี๋ยวเราเลน King พูดไปพูดมามันจะมาอยู่นี่แหลไม่ได้หลงประเด็น ข้อสุดท้ายที่ว่าสอนให้รู้สอนเองให้ผู้อื่นสอนทรงอุปถัมวัดสวยงามราชการที่สามเนี่ยท่านธงทองว่าอย่างไรไม่ลืมอีหรนะือลืมไม่ยังตั้งประเด็นไว้นักเทศไม่ลืมสร้างวัดสวยงามเหมือนกับวิมาน วิมานไว้ให้เทวดาอยู่แต่เทวดาอย่างมานอนจําวัดเล่นต้องเรียนหนังสือที่ท่านธงส้อนพูดฟังหรือเปล่าหรือหลักไหนอา ค, ค่อยหน้ามีกำลังใจพูดห่ะแล้วพวกเราเนี่ยมาอยู่วัดสวยงามอย่างวัดประยูนเนี่ ย, ย, ยทำอะไรไม่พัฒนาตัวเอง ไม่เรียนเรียนแล้วไม่เทศเหมือนที่ท่านสด ว, ว่าอยู่ทําไมไม่สมพระราชมีิธานรัชกาลที่สามขาดเติมให้เต็มพระนีที่ไม่มีความรู้ต้องเติมให้เต็มด้วยเรียนหนังสือด้วยการปฏิบัติเรียนแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องขอใครจะเรียนจนตาย พอแล้วก็ต้องจะแบ่งเขาความรู้ไปเทศไปสอนแบ่งก็ต้องรู้จักเป็นธรรมอย่าไปเทศแต่คนมีสตางค์คนจนก็ต้องไปเทศข้างวัดก็ต้องให้โอกาสเขาจัดงานมันเกิดยังจัดสองวันเลยวันนี้จัดวัดประยูนให้ทุนการศึกษาที่นี่เด็กประถมอุดมพวกนี้มหาจุฬาให้ทุนสามล้านไม่อยากบอก แต่เงินเหล่านั้นมาจากต่างประเทศเขามุ่งไปที่โน่นขืนเอาที่นี่ไปรับที่โน่นมันก็อิจฉากันสิหาว่าไม่เป็นธรรมอยู่วัดมันก็ห้าร้อยบาทที่ละปริญญาโทก็เจ็ดพันอืมให้รู้มันเป็นธรรมอยากจะได้เยอะไปเรียนมหาจุฬาทําตามสาธรารณชาตแท้ๆห้ามวิจารณ์ มแบ่งปันก็ต้องให้เป็นธรรมสอนให้รู้พระบวชเข้ามาเรียนสอนทำให้ดูคือสาธิตการสอนกรรมฐานทำไมเราจะต้องไปปฏิบัติกับพระอาจารย์อยู่บ้านเราก็ปฏิบัตนะิแต่มันหลับก่อนขอไปเข้าขอดวิ ป, ปัสนานะ เขาอ่ปสัสกาการนั่งอยู่รูดเออไม่กล้าหลับเลยถึงเวลาท่านมาก่อนเลยนะมันนั่งให้เราดูเนะ่ไม่พูดด้วยห้ามคุยและท่านก็ไม่ได้ด่าเราเพราะท่านไม่พูดแต่เราก็เงียบปิดวาจามันมีอิทธิพลมากทําให้ดูสิ่งที่ในหลวงทรงทาให้ดูคือโครงการต่างๆไปดูสิทุกวันนี้เราไปดู สุดท้ายทะเลาะกันมากโครงการช่างหัวมันมันน่าจะไปดูกันเยอะๆจะได้พร้อมน้องอยู่ให้เห็นทรงอยู่ให้เห็นอย่างสมรรถะเรียบง่ายเวลาที่ในหลวงประสงค์จะให้คนไทยเป็นผู้ศาสนาสนิชชนที่ดีพระองค์ทรงทาเป็นแบบอย่าง ทานศีลภาวนาเรื่องของทานเราจะเห็นหมดในหลวงเสด็จที่นู่นที่นู่นพระราจะทานอะไรกันศีลทรงรักษาศีลกรรมฐานทรงนั่งกรรมฐานอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เล่าให้ฟังในหลวงนั่งกรรมฐานวันละสี่สิบนาทีอาจารย์สัญญาบอกสู้ในหลวงไม่ได้อาจารย์สัญญานั่งแค่วันละยี่สิบนาที ใครที่ตามเสด็จท่านพระสิทธิเดชคุณชรเล่าในขบวนรถไฟตำรวจอารักาส่งให้นั่กนกรรมาฐานตาไม่หลวงหมดทําทำให้ดูอยู่ให้เห็นความว่าความเป็นธรรมในหลวงไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชาไม่ว่าชาวเขาชาวเราชาวเหนือชาวใต้ พูดคลิกอิสลามรักในหลวงหมดเคยแยกไม่เคยเห็นนี่คืออยู่ให้เห็นไม่ต้องพูดอัธรศ า, าสนาสู่ประถมพบเพราะฉะนั้นพบผู้นำศาสนาไม่ว่าที่ไหนลักในหลวงทั้งนั้นาการห้าศาสนามาหามงคลทุกคนอยากไป เราจึงจะได้เห็นงานที่ยิ่งใหญ่วันที่26ตุลาคมทั้งประเทศไต็สนามหลวงไปไม่ได้หรอกเขาให้จัดวัตยุดิ์สถานาหนึ่งในเขตธนบุรีนะโฆษณาตุลาฉะนั้นเกิดมาในชีวิตของเรา ได้ทันเห็นพระองค์ท่านได้ดำเนินตามรอยพะยุคลบาติศาสพตพ ร, ราชานับว่าไม่เสียชาติที่เกิดมาเราเป็นพระสงฆ์พระองค์หวังให้พระสงฆ์นั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองขาดต้องพัฒนาไม่มีการศึกษาต้องเรียนเรียนแล้วต้องเทศ ขาดเติมให้ตัวเองเต็มเต็มรู้จักพอก็ให้รู้พอให้รู้จักแบ่งแบ่งปันความรู้เทศสอนและเป็นธรรมไม่ว่ายากดีมีจนเทศให้เขาสอนให้เขาไม่ใช่แต่เลือกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้และทำให้ครบเสียน บางคนเรียนแล้วพอแล้วเอาประกาศปฏิบัติตั้งไว้ตราบอยู่แค่นั้นมีประโยชน์อะไรไม่รู้จักแบ่งแบ่งให้เป็นธรรมและไม่อยู่ในฝักฝ่ายใดเป็นกลางสอนทุกฝ่ายให้รักสามัคคีกันเพราะในหลวงพัฒนาประเทศมันเหน็ดเหนื่อยจิิงไห้พวกเราต้องทำรงรักษาเป็นลูกที่รู้จักโต ที่พึ่งตัวเองแม้พ่อไม่อยู่แล้วต้องรักษามรดกของพระองค์ให้ยั่งยืนสถาพรนั่นก็คือภารกิจของพวกเราที่ต้องสนองพระราชบิธานันี้และทุกฝ่ายทุกกลุ่มต้องเดินตามรอยพระยุคลบาทรัชการที่เก้าในสี่ประเด็นขาด ก็เติมให้เต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งแบ่งก็ให้เป็นธรรมถ้าทำอย่างนี้ในทุกกิจกรรมเราก็จะพบกับสันติสุขและการพัฒนาสถาปนและจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นลูกกรร้รา เหล่าว้าเวเมื่อขาดพระโองค์เพราะทุกคนที่มีมาช่วยคนขาดแบ่งกันอย่างเป็นธรรมรัฐสามัคคีประเทศชาติก็จะมั่นคงสถาพรวัฒนาไปชั่วลูกชั่วหลานพระพุทธศาสนาก็จะดำร ง, งอยู่จิรัติิติกานี่คือของฝันที่ล้าค่า ที่เราได้รับจากวิทยากรในวันนี้และของฝันนี้ไม่ควรจะหยุดอยู่ในที่ประชุมนี้ท่านทั้งหลายต้องนำไปขยายให้คนไทยทั้งประเทศรับรู้รับทราบทราบซึ้งและปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาดังที่เราได้มีโอกาสได้รับรู้รับทราบในวันนี้นั่นก็จะเป็น ความยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้เป็นการแสดงความตะตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก้าด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามสาพระราชาวันนี้ถือว่าที่ทุกทุกท่านทุกรูปทุกคนมามาเพื่อปฏิบัติบูชาสักการะ ได้ธรรมทานได้ให้ธรรมทานใะรับธรรมทานเป็นมหากุวสนที่ยิ่งใหญ่ขอทุกรูปทุกท่านทุกคนพร้อมใจกันตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานตั้งคุณภระศีรษะตนะไตรและมหากุสอันเกิดจากอามิสทานและธรรมทานทั้งปวงนี้จงมารวมกันเป็นตบัดเป็นเดชะ เป็นภลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระราชากรสนแด่พระบาทสมเด็จพระปรบินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอได้ทรงโปรดอนุโมทนาเพิ่มบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารพบของเราท่านทั้งหลาย ทุกประการอันหนึ่งขอพรพระีรัตนกรัยและอำนาจแห่งบุญกุศล น, นีมารวมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พ, พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรากูลพระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทรงพร ะ, กะเกษมสำราญ สถิตในมหายสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเก้าปกกระหม่อมของพระศบนิกรชาวไทยตลอดจิรัติิติการเทินอ่า